ยิ้มยิ้มตลอดตัวเองอ่ะทำไมเมื่อกี้มันว่องแต่เจอเนี่ยแล้วตอนนี้นว่วงเลยไหมมันหายเป็นได้ยังไงมันมันต้องผลได้เลยนะต้องผลไปเลยกนะ่อนคิดก็เหมือนกันใช่ไหม บางครั้งเรคิดเหมือนเป็นจริงเป็นจังวุ่นวายเลยคือบนทีก็หายไปแต่หน้าตตาไม่มีอะไรเลยแต่เราลองสัง เ, เกต ด, ดูนะตอนเราปฏิบัติท้าทีในการปฏิบัติของเราเป็นอย่างไรเราทํานะตอนที่เราทำนะเราทําอย่างมีความสุขมีความผ่อนคล า, า, ายไหมหรือว่า เราทำแบบทำแล้วก็เครียดทำด้วยความทุกข์ทำด้วยความเหมือนจำจันใจทำทำได้ท่าทีแบบไหนยโยนะทำเป็นหน้าที่ <c oughs> ทำเพราะสุกบงังคับหรือทำด้วยความพอใจของเราเองทำได้แหละพอใจนะถ้าทำด้วยความพอใจจริงไง ใจมีความสุขใช่ไหมใจมีความสุขพอใจมันมีความสุขทำด้วยความพอใจแล้วแล้วใจเป็นยังไงมันก็มันก็สงบมันก็ตั้งมั่นมันก็เบาเนาะน่าดัดนะถ้าเราทำด้วยความพอใจแล้วก็ทำด้วยความ มีความสุขในขณะที่ได้ทำนะไม่ใช่ไม่ได้สุขโดยการหวังผลนะมีความสุขที่ได้ทำนะพอใจที่จะทำแล้วก็ทำด้วยความผ่อนคล า, ายนะใจแล้วก็จะเบาสบายแต่รู้เนือ้อรู้ตัวใช่ไหมแต่ถ้าเราทำเหมือนทำได้เป็นหน้าที่เป็นไงเหนื่อยนะ มัน้องอ่านหนังสือเนี่ยอ่านหนังสือสอบเนี่ยไม่มีความสุขเนี่ยอ่านหนังสือแน่นเน้นนะมีความสุขใช่ไหมบางทีเราก็ดูนะดูแต่เองบาคนมาสังเกตบางคนแบบยกมือเหมือนเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสมันเป็นเรื่องแบบอืมหนักเป็นเรื่องลำบากเป็นเรื่องยากนะเดินก็เหมือนกันนะเหมือน มันเราต้องแบบต้องทําอะไรให้มันผิดผิดธรรมชาติผิดธรรมดานะนะเพราะเราคิดว่ามันเหมือนเป็นหน้าที่หรือว่าเป็นสิ่งที่จำจำใจนะต้องทํานะแต่ถ้าเราทําด้วยความพอใจมันจะสบายเ น, น่นี่ยคือที่จริงมันปัดกันนะบางคนคิดว่าถ้าเราทําแล้ว เดี๋ยวักพักมันจะมีความสุขมันจะสบายแต่ที่จริงมันกลับกันทำด้วยความสบายเนี่ยแหละทำด้วยความสุขน่นแหละใจเราจะตั้งมั่นใจเราจะมีสมาธิใจจะมีสติเรานะที่ทำยกมือก็ดีเดินจยก็ดีถ้าเราทำด้วยความพอใจที่ทำเนาะพอใจที่ได้ทำเหตุพอใจที่จะรู้สึกตัว พอใจที่จะได้เดินนะต่อไปจิตมันจะมีความสงบมันเราอ่านหนังสือมีความสุขในการอ่านหนังสือเราก็จะมีสมาธิในการอ่านหนังสือได้นานเราก็จะจําเรื่องที่อ่านหนังสือได้เยอะกว่าแต่ถ้าเราแบบจําใจต้องทานนี่ยมันก็เครียดมันก็เบื่อก็จะจำไม่ไม่คได้นะนี่ก็เหมือนกันสภาวะที่มันเกิดขึ้นกับเราใช่ไหมถ้าเรา มีความสุขในการทำเหตุผลมันก็ได้ของมันเองไม่ต้องหวังผลให้เราสังเกตดูนะเวลาไหนที่ที่เราทำแล้วมันเราทำได้ท่าทีอย่างไรนะทำได้ท่าทีเป็นทุกกแล็ยิ่งทุกทำได้ท่าทีจำใจนะก็ยิ่งยิ่งฝืนยิ่งเหนื่อยยิ่งทำยิ่งเหนื่อยยิ่งทำยิ่งทอ้อแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะ แต่บางทีก็แต่บางครั้งบางทีอารมณ์ในการปฏิบัติบางทีมันก็ไม่ได้เกิดแต่ลอดเวลานนะบางทีก็บางทีก็ต้องฝืนว่าแต่ฝืนในช่วงแรกๆ แ, แต่ต่อไปถ้าเราทําถูกนะแล้วก็ค่อยๆค่อยๆปรับไปค่อยๆปรับไปเดแต่มันก็จะค่อยๆสบายขึ้นค่อยๆมีความสุขมากขึ้นเหมือนงานอะไรก็แล้วแต่นะบางทีเราคิดว่า งานเนี่ยเป็นงานที่เราชอบงานที่เรารักแต่ทีจริงงานที่เราชอบงานที่เรารักนะทุกครั้งที่ทำมันก็ไม่ใช่ว่าสบายตลอดมีความสุขตลอดใช่ไหมมันก็มีความเหนื่อยความท้อความเมื่อยความร้าวบ้างแต่ถ้าเรามีความพอใจในการทาเป็นเบื้องต้นมันก็จะทำให้เรามีความเพียรมีความเพียรมีความพยายามมีความ มีค่อยๆมีการสังเกตวิเคราะห์วิจัยพัฒนาไปเรื่อยๆนะมันก็จะคอ่อยๆสังเกตดูห้องทําแบบนี้มันสบายนะทําแบบแบบนี้มันตึงไปเลยนะ <c oughs> <c oughs> เดินไม่เหม่กันมันตึงบาทีมันสังเกตดูใจตัวเองทําแบบนี้ใจมันเครียดทําแบบนี้ใจมันมันไม่เครียดนะก็สังเกตดู หรือมองแบบนี้กนะ็มันเออสบายดีนะแก้วง่วงได้แก้ความเครียดได้เออแต่มองบางทีต้มต่ำเกินไปมันมันขึ้นไปมันจ้องไปนะก็สังเกตดูตัวเองนะอืสังเกตดูตัวเองนะก็ก็ปากไปก่อนเบื้องต้นนะถึงนใครมีข้อสงสัยในการปฏิบัติกับวประเชิญนะถนะาม จะได้ตอบไห้ตรงประเด็นนะบางทีพูดไปไเหมือนบานแหไม่รู้ดปลาหรือเปล่าปลาือก็แล้วรตบ เล่าสิ่งที่เราได้ปฏิบัติให้เคลื่อนฟังหรือสิ่งที่เรารู้สึกเพลินง่ายๆแนี้ก็ได้นะหรือสิ่งที่เราพูดไปแต่ไม่ถูกไม่ผิดประมาณว่าไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราทําถูกหรือหรือไม่แบบนี้ก็ได้หรือจะสงสัยเรื่องอื่นก็เชิญ น, นะ น, นี้แปลไม่มีกระทางเลย